ของพวกชาวแมวหรือม้งวัดจังหวัดเชียงใหม่และได้มีชาวแมวหรือม้งมาคอยปฏิบัติทานอยู่ เคเห็นท่านเดินไปเดินมาอยู่เสมอที่เรียกว่าเดินจงกรมเขามีความสงสัยจึงได้ถามท่านว่าอะไรหาย ท่านกำลังเดินหาอะไรท่านก็ตอบว่าพุทโธหายกำลังเดินหาพุทโธเขาก็กล่าวอาสาท่านว่าเขาจะช่วยหาด้วย จึงบอกว่าก็ให้เขาเดินหาได้ให้เรียกหาพุโทโธพุโทโธเขาก็ปฏิบัติตามเดินไปเดินมาตามท่าน ด้วยจิตใจที่เรียกหาพุทโธพุทโธเขาก็ได้ความสว่างหรือแสงสว่างขึ้นในจิตซึ่งทำให้เขามีความเข้าใจว่าพุทโธ ท, ที่ท่านสแสวงหานั่นจะเป็นความสว่าง หรือแสงสว่างในจิตที่เกิดขึ้นแก่เขาเรื่องนี้ให้คติแห่งการปฏิบัติทางจิตใจอย่างดียิ่งว่าแม้แต่แมวซึ่งไม่เคยรู้จักพุทธศาสนา เมื่อได้เรียกหาพุโทโธพุโทโธในจิตใจก็ยังได้ความสว่างหรือแสงสว่างขึ้นในจิตซึ่งทำให้เขามีความเข้าใจแม้ในขั้นนี่ว่า เป็นพุทโธที่ท่านอาจารย์ท่านค้นหาอยู่กิจใจนี่โดยปกติย่อมเรียกหาอารมณ์ต่างๆอยู่เสมอ เรียกหาสิ่งต่างๆอยู่เสมอเป็นต้นว่าเรียกหาลาบคือสิ่งที่จะพึงได้ตามที่ใครตามที่ปรารถนาต้องการเรียกหายศ คือความเป็นใหญ่ความมีบริวารความมีเกียรติชื่อเสียงเรียกหาสันเสริญเรียกหาความสุขต่างๆอันรวมเรียกว่าเป็นอารมณ์ คือเรื่องที่เป็นอิทธาลมคือที่ปรารถนาต้องการไม่ประสงค์ความเสื่อมลาภความเสื่อมยศนินทาทุกต่างๆและ บรรดาสิ่งที่กิตใจเรียกหาเหล่านี้เมื่อกล่าวจำแนกประเภทก็มากมายเป็นบุคคลที่รักใคร่ปรารถนาพอใจก็มี เป็นสัตว์สิ่งของแกวแวนเงินทองบ้านเรือนสิ่งต่างๆที่ปรารถนาพอใจก็มีและนอกจากนี้จิตใจนี้ยังเรียกหา บรรดาบุคคลสัตว์วัตถุต่างๆที่ล่วงไปแล้วหรือว่าที่ยังไม่มาถึงและเมื่อ จิตใจเรียกขาอารมณ์ที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจหรือบุคคลสัตว์วัตถุที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจคือที่ปรารถนาพอใจต้องการดังกล่าวมานี้ เมื่อได้มาก็ย่อมมีความยินดีมีความสุขและสยบติดอยู่เมื่อไม่ได้หรือว่าต้องพลัดพรากไปก็มีความทุกข์ เกิดร้อนและบรรดาสิ่งที่จิตใจเรียกหาต้องการเหล่านี้ก็อาจรวมเข้าเป็นอารมณ์ทั้งหก อารมณ์ก็คือเรื่องที่จิตคิดเรื่องที่จิตดำริเรื่องที่จิตหมกมุ่นถึงโดยเป็นรูปารมณ์อารมณ์คือรูปที่เห็นทางตา สัทารมอารมณ์คือเสียงที่ได้ยินทางหูคันธารมอารมณ์คือกลิ่นที่ได้สูดดมทางจมูกระสารมอารมณ์คือรสที่ได้ลิมทางลิ้น โหดัารมณ์อารมณ์คือสิ่งถูกต้องที่ถูกต้องทางกายธรรมอารมณ์อารมณ์คือธรรมะอันหมายถึงเรื่องเรื่องของรูปเสียงเป็นต้นเหล่านั้นนั่นแหละที่ได้รู้ได้คิด อังมโนโคือใจการเรียกหาอารมณ์ทั้งหกของจิตเหล่านี้เมื่อสรุปเข้าแล้วก็เรียกหาส่วนที่เป็นอดีตคือล่วงไปแล้ว เรียกหาสิ่งที่เป็นอนาคตคือยังไม่มาถึงบ้างและสยบติดอยู่ในอารมณ์ที่กำลังประสบอยู่ในปัจจุบัน สำหรับอารมณ์ที่เรียกหาอันเป็นอดีตคือล่วงไปแล้วนั้นก็คือจิตเรียกหาบุคคลบ้างสัตว์วัตถุต่างๆบ้างที่ได้ ล่วงไปแล้วพ้นไปแล้วซึ่งมีคำเรียกอารมณ์ที่ล่วงไปแล้วดังกล่าวนี้ว่าธรรมะคือเรื่องก็ได้ และเรียกหาอารมณ์ที่ยังไม่มาถึงก็เรียกวัาธรรมะคือเรื่องที่ยังไม่มาถึงก็ได้ลักษณะของธรรมะคือเรื่องหรืออารมณ์ที่จิตนี้เรียกหา อันเป็นส่วนอดีตก็ดีเป็นส่วนอนาคตก็ดีหลวงปู่แหวนท่านบอกว่าทำเมาไม่ช่ธรรมาหรือทมโมแหลกแม่ธรรมะหรืออารมณ์ที่เป็นปัจจุบัน คือที่จิตนี้กำลังประสบอยู่ได้รับอยู่ซึ่งจิตนี้ก็ผูกพันติดสยบอยู่ก็เป็นทมเมาเหมือนกันไม่ใช่เป็น ร, รมโมหรือเป็น ร, รมมา เมื่อเป็นดังนี้อิจนี้จึงไม่สงบดิ้นรนกวัดแกว่งกระสับกระสายด้วยอาการที่ปรากฏ เป็นราคะความติดใจยินดีบ้างเป็นโทสะความโกรธแค้นขัดเคืองบ้างเป็นโมหะคือความหลงก็คือหลงรักหลงชังหลงสยบติดอยู่บ้าง และอาการที่จิตนี้ประกอบด้วยกิเลสดังกล่าวมาเป็นจิตที่ดินน้นรนกวัดแกงกระสับกระส่ายอาการที่จิตนี้เป็นดังกล่าว ก็เรียกรวมว่าตันหาและเมื่อเป็นตันหาจึงมีความอาดูลที่แปลว่าความกระสับกระส่ายความเดือดร้อนทั้งนี้ก็เพราะว่า บรรดาสิ่งที่จิตเรียงหาอันเป็นทรรมเมาดังที่หลวงปูปแหวนหลวงปูปแ่แหวนท่านว่านั้นก็ล้วนเป็นสังขารคือสิ่งผสมปรงแต่งซึ่ง มีความปรากฏดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าสังขตะลักษณะคือลักษณะของสิ่งที่ผสมปรุงแต่งทั้งหลายอันเรียกวันสามขันนั้น อุปาโดปัญญาญติมีความเกิดขึ้นปรากฏวโยปัญญาญติมีความเสื่อมไปสิ้นไปปรากฏติฏสะอัญญัตตังปัญญาญติเมื่อตังอยู่ มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นปรากฏเมื่อรวมเข้าแล้วก็เป็นสองคือมีความเกิดขึ้นและมีความดับไปเป็นธรรมดาฉะนั้น บรรดาทุกอย่างที่จิตนี้เรียกหาจะเป็นบุคคลก็ตามจะเป็นสัตว์วัตถุต่างๆก็ตามจึงไม่บังเกิดขึ้นตามที่จิตนี้ต้องการ เพราะว่าจิตนี้ต้องการเรียกหาแต่สิ่งที่รักใคร่ปรารถนาพอใจเท่านั้นแต่ไม่เรียกหาไม่ต้องการสิ่งที่ไม่รักใคร่ปรารถนาพอใจบรรดาสิ่งที่ จิตนี้ได้รับจริงๆนั้นหาเป็นไปตามที่จิตนี้เรียกหาต้องการดังกล่าวไม่เพราะฉะนั้นพระพุทธเจา้าจึงได้ตรัสสอนให้รู้จักโลกกรรทธรรมะสำหรับโลก ซึ่งบังเกิดขึ้นทั้งแกบุคุชนทั้งแกอริยะบุคคลคือลาบความเสื่อมลาบยศความเสื่อมยศนินทาสันเสริญสุขทุก โลกธรรมทั้ง8ปดนี้ย่อมวนเวียนไปตามสัตว์วโลกสัตวตวโลกก็วนเวียนไปตามโลกธรรมทั้ง8ปดนี้เมื่อมีลาบก็ต้องมีเสริมลาบมียศก็ต้องมีเสริมยศ เมื่อมีสันเสริญก็ต้องมีนินทาเมื่อมีสุขก็ต้องมีทุกข์เป็นคู่กันไปเพราะฉะนั้นเมื่อจิตนีเ้เรียกหาอารมณ์หรือธรรมะทั้งหลาย ันเป็นส่วนอดีตที่ล่วงไปแล้วบ้างเป็นส่วนอนาคตยังไม่มาถึงบ้างผูพกพันยึดถือสยบติดอยู่ในธรรมะหรืออารมณ์ที่เป็นปัจจุบันบ้างกินได้เป็นธรรมเมาไม่เป็นธรรมโมหรือธรรมะ คือจิตนี้เองมีความเมาอันได้แก่ตัวโมหะคือความหลงสยบติดอยู่เมื่อเป็นดังนี้จิงต้องมีโศกะความโศกความแห้งใจปริเทวะ ความร้องไห้ครำครวญรันโจนใจความไม่สบายกายความไม่สบายใจอุปายญาติความคับแค้นใจอันเป็นตัวทุกข์กักจจะสภาพที่จริงคือทุกข์ที่จิตนี้เอง ต้องสูดอยู่น้อยหรือมากตามแต่ว่าจะมีความเมาซึ่งเป็นธรรมเมาอยู่ในอารมณ์หรือในธรรมะดังกล่าวนั้นมากหรือน้อยเพียงไรและเพราะเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสถึง บรรดาธรรมะที่เป็นธรรมเมาดังที่กล่าวแล้วนั้นว่าสับเบธรรมานาลังอภินิเวสายะธรรมะทั้งปวงไม่ควรยึดมั่น เพราะเมื่อยึดมั่นเขาแล้วก็เป็นทำเมาและทําให้เกิดทุกข์และอาการที่จิตเรียกหาต้องการดังที่กล่าวมาแล้วนั้นพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสชี้ ให้รู้จักวันนี้แหละคือตัวตันหาความริ่นรนทยานอยากอันเป็นตัวทุกขสมุทยัยคือเหตุให้เกิดทุกข์เพราะฉะนั้นจิตที่เรียกหาของสามั ญ, ญชนทั้งหลาย อยู่โดยปกตินั้นจึงเป็นตันหาอุปาทานนั่นเองจึงเป็นเครื่องที่นำทุกนี้มาสู่จิตใจเพราะฉะนั้นจะแก้ทุกท้งจิตใจนี้โดยวิธีที่ยิ่งเรียกหาสิ่งที่ปรารถนาต้องการ อันเป็นรมเมาดังกล่าวแล้วสักเท่าไรเพื่อที่จะดับทุกข์ของจิตใจนั้นหาได้ไหมไม่สามารถจะดับทุกข์ของจิตใจได้ในเมื่อยังทมเมาอยู่ดังที่กล่าวยังยึดมัน่นธรรมะที่เป็นทำเมาทั้งปวง ดังกล่าวอยู่ตามพระพุทธภาสิต ท, ที่ยกขึ้นมาอ้างนั้นเว้นไว้เสียแต่ว่าจิตนี้จะเรียกหาพุทโธแม้ว่าเรียกหาพุทโธ โดยนึกถึงพระพุทธรูปนึกถึงพุทธประวัติหรือนึกถึงพระพุทธคุณตามที่รู้ก็ยอมเรียกว่าเป็นการ ได้ทำกรรมฐานมีพุทธานุสติเป็นอารมณ์ขึ้นแล้วเป็นการที่เหมือนอย่างเริ่มนำพุทโธนี้เป็นลิ่มอันใหม่ เข้ามาตอกสลักลิ่มอันเก่าที่เสียบแทงใจอยู่คือตัณหาที่เป็นตัวทาเมาพร้อมทั้งอารมณ์ที่เป็นตัวทำเมาออกไปจากจิตใจทำให้จิตใจนี้สงบจากการเรียกหา เข้ามาสู่จิตใจได้มีพุโทโธเข้ามาตั้งอยู่ในจิตใจแทนเรียกหาพุโทโธพุโทโธอยู่ในจิตใจและเมื่อจิตใจนี้ได้ความสงบจากอารมณ์ที่เป็นทาเมาทั้งหลาย หรือเรียกตามสับแสงว่าสงบจากอากุศลโนิตกสงบจากกามอากุศลธรรมทั้งหลายจิตก็ได้สมาธิมีพุทธโธเป็นอารมณ์นั่งอยู่ในจิตจะปรากฏเป็นพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าขึ้นในจิตก็ตามเป็นพระพุทธคุณ คือพระปัญญาคุณเราไปสุทธิคุณพระกรุณาคุณปรากฏขึ้นในจิตใจก็ตามได้ทางนั้นหรือแม้ว่าปรากฏเป็นโอภาสความสว่างแสงสว่างขึ้นในจิตใจอันเป็นนิมิตของสมาธิคือจิตที่สงบนี้ก็ตาม จิกนี้ก็เริ่มพ้นจากตัญหาจากอารมณ์ที่เป็นตัวทำเมามาสู่ธรรมะหรือธรรมโมได้ความพ้นทุกข์ได้ความสุขทางจิตใจขึ้นเป็นเบื้องต้นและเมื่อ กำหนดพิจารณาพุทโธนี้ให้รู้ซึ้งเมื่อพระพุทธเจา้าทรงเป็นภูรู้พ้นทรงเป็นภูตื่นเรื้อรู้ตื่นทรงเป็นภูรู้เบิกบานหรือภูเบิกบานอย่างนั้นอย่างนั้นก็จะยิ่งได้ ความสว่างในจิตใจขึ้นด้วยปัญญาจนอาจเป็นธรรมจกุสุดวงตาเห็นธรรมขึ้นเป็นมีปัตสนาหรือเป็นปัญญาตามภูมิตามชั้นของการปฏิบัติเพราะฉะนั้นการเรียกหาพุทโธการสแสวงหาพุทโธ จึงมีประโยชน์มากผู้ปฏิบัติธรรม